ก็บรณศาลาของปาริกาดาบทศนีอยู่ใกล้ของทุกุลบัณดิตนางนั่งอยู่ในบรณาศาลานั้นได้ฟังพระดำรัสของพระราชาก็ใครจะรู้ประพฤติการนั้นจึงออกจากบรณาศาลาของตนไปสำนักทุกุลบัณดิตตามแนวเชือกที่สำหรับสาวเดินไปได้กล่าวว่าข้าแต่ทุกุลบัณฑิตท่านพูดกับใครซึ่งบอกว่า ข้าพเจ้าฆ่าสามะกุมารเสียแล้วใจของดิฉันย่อมหวั่นไหวเพราะได้ยินว่าสามะกุมารถูกฆ่าเสียแล้วกิ่งอ่อนของต้นโพอลรมพัดให้หวั่นไหวฉันใดใจของดิฉันย่อมหวั่นไหวเพราะได้ยินว่าสามะกุมารถูกฆ่าเสียแล้วฉันนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าซึ่งบอกวาทนา ความว่าผู้กล่าวว่าข้าพเจ้าฆ่าสามะกุมารเสียแล้วคำว่ากิ่งอ่อนปะวาลังได้แก่ห น, น่ออ่อนคำว่าอารมพัดให้วันไหวมาลุเตริตังความว่าถูกลมพัดให้วันไหวลำดับนั้นทุกกุลบัณฑิตเมื่อจะโอวาสนางปาริกาดาบุสินีนั้นจึงกล่าวว่าแน่ นางปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ทรงยิงสามะกุมารด้วยลูกศรที่มิขะสัมมาตานทีด้วยความโกรธเราทั้งสองอย่าปรารถนาบาปต่อพระองค์เลยบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าที่มิขะสัมมาตานทีมิฆะสัมมเตความว่าที่หาดทรายริมฝั่งมิขะสัมมาตาณฑี คำว่าด้วยความโกรธโธทศาความว่าด้วยความโกรธที่เกิดขึ้นในเพราะมรรคทั้งหลายคำว่าอย่าปรารถนาบาปมาปาปะมิฉิมหาความว่าเราทั้งสองอย่าปรารถนาบาปต่อพระองค์เลยปาริกาดาบสินีกล่าวอีกว่าบุตรที่รักอันหาได้ด้วยยาก ผู้ได้เลี้ยงเราทั้งสองผู้ตาบอดในป่าจะไม่ยังจิตให้โกรธในบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวนั้นได้อย่างไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในบุคคลผู้ฆ่าบุตรคาตัมหิได้แก่ในบุคคลผู้ฆ่าทุกุละบัณฑิตกล่าวว่าบุตรที่รักอันหาได้ด้วยยากผู้ได้เลี้ยงเราทั้งสองผู้ตาบอดในป่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธในบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวนั้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าผู้ไม่โกรธอะโกทังความว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญคือกล่าวถึงบุคคลผู้ไม่โกรธนั้นว่าขึ้นชื่อว่าความโกรธย่อมทําให้ตกนรกฉะนั้นไม่พึงทำความโกรธนั้น เพ่งทำความไม่โกรธในบุคคลผู้ฆ่าบุตรเท่านั้นก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วดาบทดาบสินีทั้งสองก็ค้อสวงด้วยมือทั้งสองพันนาคุณของพระมหาสัตว์คร่ำครวญเป็นอันมากลำดับนั้นพระเจ้าปิลยักษ์คราชเมื่อจะทรงเล้าโลมเอาใจดาบ ท, ทั้งสองนั้นจึงตรัสว่า ขอผู้เป็นเจ้าทั้งสองอย่ากคร่ะมครวนเพราะข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าข่าสามะกุมารเสียแล้วไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับการงานเลี้ยงดูผู้เป็นเจ้าทั้งสองในป่าใหญ่ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในธนูศิลป์เรื่องลือกันว่าเป็นผู้แม่นยำนักข้าพเจ้าจักทำการงานเลี้ยงดูผู้เป็นเจ้าทั้งสองในป่าใหญ่ ข้าพเจ้าจาักแสวงหาเนื้ออันเป็นเดนของหมูมรึกและแสวงหามูลพลาผลในป่าทำการงานเลี้ยงดูผู้เป็นเจ้าทั้งสองในป่าใหญ่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ากล่าววาทินาความว่าท่านผู้กล่าวกับเราว่าข้าสามะกุมารได้ข้าบุตรพึ่ถึงพร้อมด้วยคุณอย่างนี้ของเราแล้วบัดนี้ใครจกเลี้ยงดูพวกเราดังนี้ อย่าคร่ำครวญมากไปเลยข้าพเจ้าจะทำการงานแก่ท่านทั้งสองเลี้ยงดูท่านทั้งสองเหมือนสามะกุมารครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระราชาได้ปลอบใจท่านทั้งสองนั้นว่าขอท่านทั้งสองอย่าได้คิดเลยข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองตลอดชีวิตลำดับนั้น ฝ่ายดาบทดาวบสิรีทั้งสองนั้นสนทนากับพระราชาทูลว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษสภาพนั้นไม่สมควรการทรงธรรมอย่างนั้นไม่ควรในอาตมาทั้งสองพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองอาตมาทั้งสองขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์บรรดาคํำเหล่านั้นคําว่าสภาพธรรมโม ได้แก่สภาพหรือเหตุการณ์คำว่าการทรงทมอย่างนั้นไม่ควรเนตังกัปปติความว่าการกระทําการงานของพระองค์นั้นย่อมไม่ควรคือไม่งามไม่สมควรในอาตมาทั้งสองข้อว่าอาตมาทั้งสองขอถวายบังคมพระยุคลบาทปาเทวันเามาเตความว่า ก็ดาบทดาบสศีนีทั้งสองนั้นตั้งอยู่ในเพศบรรพชิตทูลพระราชาดังนี้เพราะความโศกในบุตรครอบงำและเพราะไม่มีมานะที่ดาบทดาบสศีนีกล่าวอย่างนี้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยแก่พระราชาพระราชาได้ทรงสดับดังนั้นทรงยินดีเหลือเกินทรงดำริว่าโอน่าอัศจรรย์แม้เพียงคาหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ ก็ไม่มีในเราผู้ทําความประทุษร้ายถึงเพียงนี้กลับยกย่องเราเสียอีกจึงตรัสอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านบําเพ็ญความถ่อมตนแล้วขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าท่าน แตยาความว่าเมื่อกล่าวเป็นคนๆก็กล่าวอย่างนี้คําว่าเป็นบิดาปิตาเป็นต้นความว่าข้าแต่พ่อทุกกุลบัณฑิตตั้งแต่วันนี้ไปขอท่านจงตั้งอยู่ในฐานะแห่งบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่แม่ปาริกาแม้ท่านก็ขอจงตั้งอยู่ในฐานะแห่งมารดา ข้าพเจ้าก็จักตั้งอยู่ในฐานะแห่งสามะกุมารบุตรของท่านกระทํากิจทุกอย่างมีล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองจงอย่า ก, กำหนดข้าพเจ้าว่าเป็นพระราชาจงกำหนดว่าเหมือนสามะกุมารเถิดดาบททั้งสองประคองอัญชลีไหว้เมื่อจะทูลวิงบอนว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตร พระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานแกอาตมาทั้งสองแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้าของอาตมาทั้งสองนำไปแสดงตัวสุวรรณสามเถิดจึงกล่าวสองคาถาว่าข้าแต่พระเจ้ากาสีอาตมาภาพทั้งสองขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ยังชาวกาสีให้เจริญอาตมาภาพทั้งสองขอนอบน้อมแด่พระองค์ อาตมาภาพทั้งสองประโคมอัญชลีแด่พระองค์ขอพระองค์โปรดพาอาตมาภาพทั้งสองไปให้ถึงสามะกุมารอาตมาภาพทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอัน ง, งดงามหน้าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ถึงกาลกิริยาบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโปรดพาอาตมาภาพทั้งสองไปให้ถึงสามะกุมารยาวะ สามานุปาปะยะความว่าโปรดพาอัตรมภาพทั้งสองไปให้ถึงที่ที่สามะกุมารอยู่คำว่าอันงดงามน่าดูพุชัตทศนังความว่าตามะกุมารผู้งามน่าดูคือมีรูปงามน่าเลื่อมใสคำว่าธรมาลสังสุมภามานาได้แก่โบยคาว่า ให้ถึงกาลกิริยากาลมาคมยามหาเสความว่าจักรธรรมคือจักถึงกาลกิริยา